บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ก่าวกันมาโดยลำดับในกลุ่มธรรมที่เรียกว่าอยายตนะภพคือหมวดที่ทรงสอนให้ตั้งสติรละลึกรู้ ดูจิตของตนเองให้เห็นในแต่ละขณะของการกระทบอารมณ์มาจากภายนอกหรือแม้แต่เหนียวนึกสุดนึกขึ้นมาจากภายในใจเองถ้าเห็นว่ากิเลส ข, ข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็พยายามมองให้เห็นโทษและใช้ความเพียรพยายามลดละบันเทา สงบประนับจนถึงดับไปในที่สุดและการดับไปนั้นบางครั้งเป็นเรื่องของการใช้สติระ ล, ลึกรู้แล้วก็ดับไปในแต่ละขณะซึ่งกหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดมันก็เกิดได้อีกเรื่อยๆแต่เราก็ดับไปได้เรื่อยๆจนจิตใจสามารถสัมผัสความสงบ ความสุขที่สืบเนื่องมาจากการดับกิเลสลงไปในแต่ละขณะติดใจของบุคคลก็จะมีลักษณะเหมือนกับได้ลิ้มได้ชิมรสอาหารที่อร่อยแม้จะชิมเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อมีความพอใจติดใจในรสชาติอร่อยของอาหารเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รับประทานต่อไป ถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อหามาหรือถ้าอยู่ไกลก็ต้องศึกษาวิธีปรุงเพื่อให้มีโอกาสรับประทานอาหารเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆบรรดารถทั้งหลายนั้นทรงสแสดงว่ารถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงวันตัวรถจริงๆก็คือเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็น เป็นปีติปราโมทย์เป็นความปลอดเวรปลอดภัยรู้สึกโปร่งเบาสบายที่สงใช้คำอยู่คำหนึ่งว่าสัลลหุกอวุติคือกายเบาใจเบ า, จ, เบาจะอยู่ในที่ไหนในอิริยาบถใดเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรจิตใจที่สงบกิเลสได้หรือยิ่งไม่มีกิเลสแล้วก็วจะเป็นการดีคือจะรู้สึกเบา ไม่ไปเกี่ยวเกาะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปเล็งผลเลิศไม่ไปตั้งความหวังในเรื่องที่หวังไม่ได้ทาให้ใจพร้อมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่บังเกิดขึ้นความหวังที่หวังไม่ได้นั้นได้ทรงแสดงไวเป็นอันมาก เช่นเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความเจ็บความตายการพลัดพรากการสูญเสียการได้ทรัพย์สมบัติมาในทางที่ชอบไปทุกกรณีนั้นเป็นความหวังที่เป็นไปได้ยากคือสามข้อแรกได้แก่แกตายแก่เจ็บตายตลอดทั้งการพลัดพรากเป็นส่ข้อนั้น เราจะเห็นว่าไอ้แก่เจ็บตายเราจะหวังไม่ให้แก่มันก็ไม่ได้หวังไม่ให้เจ็บเลยมันก็ไม่ได้หวังว่าไม่ให้ตายเลยมันก็ไม่ได้แต่การพลัดพรากสูญเสียนั้นบางครั้งก็อาจจะหวังได้แต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆเพราะในช่วงยาวจริงๆแล้วจะไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไป เราไม่จากเขาเขาก็จากเราบางการพละดพลาดสูญเสียก็ต้องมีจนได้แต่ว่าทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นมาในทางที่ชอบนั้นเป็นเรื่องของกรรมถ้าเรามีคุณธรรมมากพอมีความมั่นคงในด้านจิตใจมากพออาจจะบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ในขณะที่เรายังไม่หมดกิเลสเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าจะลดละความชั่วลงไปได้การแสวงหาการถือครองการใช้สอยสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำก็จะลดน้อยลงไปด้วยลำดำับเี่ยวถึงบางเรื่องมันก็ไกลมูลกรณีไปซึ่งแน่ของบาปเราก็ไม่เป็นบาปด้านความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ แล้วขึ้นอยู่กับการที่จิตใจเรามีธรรมะเป็นเรือนใจหรือเป็นฐานใจหรือเป็นหลักใจจะสามารถปรับใจตัวเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์แต่ในที่นี้ทรงเน้นไปในเรื่องของกิเลสเป็นหลักแต่ว่าโดยภาคปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทุกครั้งกิเลสจะเกิดขึ้น มีเป็นอันมากที่ธรรมะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเ น, นื่องเป็นศรัทธาเป็นความเพียรเป็นความเลื่อมใสเป็นความรอบรู้เป็นความเข้าใจเป็นปิติปราโมทย์เกิดขึ้นถ้าเป็นช น, นีไม่ส่งสอนให้ละแต่ส่งสอนให้เพิ่มพูนขึ้นแต่ก็ต้องอยู่อีกหมวดหนึ่ง คนสังคมจึงเข้าใจว่าการพูดแบบปริยัตมันก็มีอีกระดับหนึ่งคือเราจะพูดเป็นชุดเป็นตอนไปแต่ภาพปฏิบัติจริงๆไม่ได้เกิดอย่างนั้นกิเลสไม่ได้เกิดไปตามลำดับแต่เกิดไปตามลักษณะพื้นฐานจิตของคนกับลักษณะความหลากหลายความรุนแรงของอารมณ์ที่มากระทบเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะอารมณ์เป็นนั้นมากที่มีลักษณะยุ่ยยวนลักษณะยุ่ยยุแต่ว่าจิตใจของบุคคลอาจจะมีสติมากพอมีปัญญามากพอมีความเพียรมากพออารมณ์ยุ่ยยุยนเหล่านั้นมันก็อาจจะสําเร็จประโยชน์แต่ว่าพอถึงเจอกับเราในขณะนั้นอารมณ์เหล่านั้นก็สักแต่ว่าอารมณ์นั้นหรือไม่มีอิทธิพลเหนือใจเรา กรณีพึงพึงสังเกตเห็นการโฆษณาขายสินค้าของกลุ่มผู้ค้าขายสิ่ ง, งต่างๆเราได้รับรู้ได้ยินได้ฟังการโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นได้เห็นภาพไปทดสอบดูจนถึงได้จับต้องได้ลิ้มได้จิมดูตามสมควรแก่ฐานะของสิ่งโดดนั้นแม้ทุกคนจะมีเงินอยู่ด้วยกัน แต่ว่าใจที่มีความอยากน้อยอยากมากมีธรรมะน้อยมีธรรมะมากนั่นเองจะก่อให้เกิดเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจคือซื้อหรือไม่ซื้อมันคนที่ทําหน้าที่โฆษณาในเรื่องต่าง ๆ, ๆเขาเองก็พยายามให้คนซื้อให้บ้างที่สุดที่จะมากได้แต่ความจริงแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่มากคนส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อ ด้วยเหตุผลความจํากัดในด้านส่วนตัวเรื่องอะไรก็ตามถึองจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีเหตุผลสติปัญญามากพอที่จะหยุดความอยากซึ่งถูกยั่วยวนมาจากข้างนอกโดยการข่มใจโดยการห้ามใจเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของธรรมะเหล่านี้ที่จริงแล้วจะเป็นข้อใดก็ได้ครนี้ขอให้ ลองสังเกตในส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมหมายความธรรมะอยู่ภายในใจคนแล้วคนกระทบอารมณ์แล้วแต่ว่ากิเลสไม่ได้ฟูขึ้นยันจะยกตัวอย่างเรื่องศรัทธาคือความเชื่อมันมีลักษณะเหมือนกิเลสประเภทอื่นคือขจัดโลภโกรธหลงเพียงแต่ว่าขจัดอะไรเป็นหลักในขณะนั้นเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากว่าพลังของศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นบุคคลพร้อมที่จะสละสิ่งทั้งหลายเพื่อคนที่ตนศรัทธาจะบุคคลเป็นอันมากพนุบำรุงพระพุทธศ า, ส, าธสนาธนนาตบินิกะเศษฐีสร้างพระเชตวันทั้ง54โกิแต่กฎคิดในปัจจุบันก็หลายพันล้านคำมโกฏนั่นเป็นกฎทองคำเสียด้กาปานะทองคา จะถามว่าทำไมท่านทําได้ท่าน ท, ทําทได้เพราะท่านมีศรัทธาในจุดนี้แสดงว่าศรัทธาขาจัดอะไรศรัทธาได้ขจัดโลภะขจัดความสนีออกไปจากจิตใจได้ท่านจึงสละได้มีคนขอปุทุสลายท่านภาวนาท่านแต่เท้าโกของท่าน ตลอดถกเผาพระกันตะกุดดีที่ท่านสร้างเพื่อถวายพระพุทธเจ้าท่านไม่โกรธท่านกลับแค่์เมตตาเดถามาทํมไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะพลังศรัทธาที่มีอยู่ในบุญที่ท่านได้กระทำท่านมีความเชื่อในกฎของกรรมใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วไป แ ล, และที่พิเศษขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าท่านคิดแสวงหาประโยชน์จากเรื่องที่น่าจะโกรธน่าจะคาดแค้นได้เวลาเผานาท่านก็ไม่โกรธพ็เผาไปก็คงจะปลูกก็ใหม่ได้ก็ตัดเท้าโคก็ถือว่าคนนั้นกำลังทำบาปเราเป็นเจ้าของโครเราก็รักษาเอา ก้อ้เจ็บเฉพาะที่เท้าโขเจ็บนั้นไม่มาถึงใจท่านเพราก็เผาประกันตักคนดีท่านกลับดีใจปพระบุญอันใดที่เราจะทำด้วยการสร้างเสนาสะนะถวายพระพุทธเจ้าก็สาเร็จแล้วแต่เมื่อมีการเผามันก็ดีเหมือนกันได้สร้างอีกหลังหนึ่งแต่แสดงว่าในขณะ น, นี้มันก็จัดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งความจตี เวลาคนเหล่านั้นคนที่มานับถือพระพุทธเจ้าบางทีก็บวชเป็นพระภิกษุแล้วต่อมาก็ศึกออกไปแทนที่จะไปโกรธพระพุทธเจ้าไปตั้งป้อมนินทาพระพุทธเจ้าเป็นดีอย่างนั้นอย่างน้นเราไม่อยากอยู่ด้วยตามปกติแล้วก็จะโยนลูกเข้าไปที่บ้านเดิมแ ค, แค่คนงานห้างร้านบริษัทต่งตางๆมาออกจาค่างร้านบริษัทเหล่านั้นแล้ว ก็จะเอาเจ้านายเก่ามานินทามาด่าว่ามายกโทษให้คือโยนโทษให้ไม่จะยกโทษให้แต่คนที่มีศรัทธาแล้วเขาจะไม่โกรธเขาจะเข้าใจเหตุผลว่าเป็นเรื่องวัสนารมบารมีของเรามไม่มากพอที่จะอยู่ยั่งยืนงอกงามไปบูดในพระธรรมบิดาได้ ก็แสดงว่าปัญญาได้กรจัดโมฆะคือความรุ่มหลงออกไปตัพระก็ถูกรจัดไปโทสะก็ถูกรจัดไปความตเหนี่ยวแน่นความหวงความเสียดายก็ถูกรจัดออกไปธรรมะนั้นที่จริงจะมีความเชื่อมโยงถึงกันทำนองเรารดน้ำที่โคนต้นไม้ ก็มีความสดชื่นปรากฏจนถึงยอดไม้แล้พวพอไฟที่โคนไม้ความเขียวเฉาก็ไปปรากฏได้ถึงปลายไมย้นั่นคือความเกี่ยวเนื่องถึงการของสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ดักรดาต่างอารมณ์ทางสังคมตลอดถึงสังคมโลกจะกระทบ้กระเทือนถึงการทางด้านดีและด้านไม่ดีเพราะในเรื่องของการเพิ่มูนศรัทธา โดย จ, ดจุดแรกที่จึงต้องการจะขจัดความสนิความไม่เชื่อความครุบแคลงสงสัยไปก่อนซึ่งเป็นกลุ่มของโมหะดังนั้นเพื่อจะบางเรื่องคือเราจะขจัดโมหะโดยจงโมหะนี้มันขจัดด้วยปัญญาเหมือนความมืดขดจัดด้วยแสงสว่างแต่บางทีมันก็มีปัญหาที่จะใช้ปัญญา เราก็ใช้แนวของศรัทธาตำนองคล้ายๆรับประทานรับยามาจากหมอตามหมอสั่งกันยากินยาตามหมอสั่งประชาชนจะสังเกตได้ว่าตอนนั้นถ้าเราเป็นคนป่วยเราก็กินยาเพราะศรัทธาในตัวหมอไม่ได้ศรัทธาในยาเพราะยาะเรายังไม่รู้คุณโทษอะไรของมันแต่พอเรารับประทานยาไปแล้วปรากฏโรคหาย ตอนนี้ก็อาศัยทั้งศรัทธาในตัวหมอและอาศัยทั้งปัญญาในตัวจาซึ่งเป็นภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติแสัมผัสผลนั้นด้วยใจของเราเพราะหลังจากนั้นเราอาจจะให้เด็กวิ่งไปซื้อก็ได้ซื้อเองก็ได้หรือว่าหมอฝากมาให้ก็ได้หรือพยาบาลออกมาให้ก็ได้เราก็พร้อมที่จะรับประทานยานั้นตามที่หมอบอกไป แล้ในจุดนี้แสดงว่าเราใช้ทั้งศรัทธาในตัวหมอในตัวพยาบาลเราใช้ปัญญาในตัวยาแต่เรารับประทานยาได้แม้เด็กซื้อมาเราซื้อมาเพื่อนซื้อมาฝากหรือหมอฝากมาก็ตามเพื่อนตา ม, มาทั้งสองปการก็ช่วยกันขจัดกิดเลสล ด, ดละความเทากิเลสลงไป ปัญหาใหญ่ในการเป็นพุทธศาสนคนคือลักษณะของศรัทธาเลื่อมใสที่ยังเลื่อนลอยยังไม่มั่นคงยังถูกโยกยอในหวั่นไหวบางทีก็หวั่นไหวด้วยตัวของมันเองบางทีหวั่นไหวจากปัจจัยภายนอกการหวั่นไหวด้วยตัวเองนั้นแสดงถึงขาดการทรงตัว เราลองดูว่าเด็กๆที่จะเดินไ ป, ไปนเดินใหม่ๆเดินไม่ได้นอหกลม้มแสดงถึงมีปัญหาในส่วนตัวของเด็กเองแต่ต่นนี้พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอายุมากขึ้นโอกาสที่จะหกล้มเองน่ายากแต่ว่าก็อาจจะถูกคนผลักอาจจะถูกคนกระแทก อาจจะตุกคนรรวมกันรมล้อมกันแล้วก็ผลักให้ล้มลงเป็นต้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราทรงตัวได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ถ้าสถานการณ์จ่เข้าง้องมันแรงเกินไปบางทีคนผลักคนเดียวก็แทกเราก็ไม่ล้มอาจจะเซไปนิดหนึ่งผลักเราก็ไม่ล้มแล้วอาจจะเซ ม, มากหน่อยแต่เมื่อเล่นผลักกันหลายๆคนเราก็ทนไม่ได้เหมือนกัน คือการส่งตัววัตธรรมะท่านเรียกวัตสงหมายความว่ารักษาสถานะเหล่านั้นเอาไว้สถานะของธรรมะเองด้วยและสถานะของคนที่มีธรรมะเหล่านั้นโดยตัวยต้จะทรงตัวได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ปริมาณของธรรมะซึ่งเราอาจจะมองจะส่วนอื่นๆบางทีทรงยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเสาเขื่อนที่บุคคลปักไว้ คล้าๆพวกเสาตะลุงปักไว้ลึกๆเนี่ยก็ไม่มีใครโยกครอนให้หวั่นไหวได้ง่ายแต่ไม่ใช่ไม่ถึงกับไม่หวั่นไหวเพราะมันมีเครื่องมือเหล่าอื่นที่จะทำหวั่นไหวได้ที่เอารถจุดมาจุดเอาแท็กเตอร์มาดันันก็โทษไม่ได้เหมือนกันแต่ขนาดาษคนผลักน่ะก็ไม่เป็นอะไรอันใจิตใจของบุนคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้น ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มั่นคงในระดับหนึ่งเมื่อ ก, การปักไม้ลงไปสําคัญบอ้ไม้อะไรแล้วก็ปักลงไปลึกอย่างไรถ้าไม้ท่อนมันเล็กแล้วก็ปักลงไปไม่ลึกเท่าไร่ปักหน่อยเดียวก็หักแล้วแต่ถ้าเป็นไม้แม้จะเล็กแต่ปักลงไปได้ลึกการจะถอดการจะผลักให้หวนไปหรือการจะถอดออกมานี่ยก็ยาก แนวธรรมปฏิบัติก็จะมีแนวอย่างนั้นคือสําคัญว่าเราเสริมสร้างความมั่นคงภายในใจได้มากพอหรือไม่และเพื่อจะให้มีปัจจัยเข้าส่งเสริมสนับสนุนเราจึงพบว่าธรรมานั้นจะมีความเชื่อมโยงถึงกันตํานองฝนตกแดดออกน้ำหลากอะไรมันจะเชื่อมโยงถึงกัน ไต่ปุ่นก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทร Pacific, แปซิฟิกทะเลจีนใต้ทะเลอันดามันมันก็สร้างความปันปูได้ไปรอบบริเวณในเือในทิศทางใดในทิางหนึ่งมากบา ง, บางน้อยบ้างก็แล้วแต่นั่นแสดงที่เป็นความต่อเนื่องกันของปรากฏธรรมชาติเหล่านั้น อย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้ดสูสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีแล้วก็ดูคล้ายๆกับการสืบสกุลปุยญาตายายเนี่ยก็สืบมามันก็มีกันไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อไรจะจบก็จบตอนไม่มีถ้ายังมีอยู่มันก็ต่อไปเรื่อยเมื่อต้องการให้จบก็จบที่ไม่มี คล้ายๆกราชวงของพระพุทธเจ้าที่สืบต่อมาท่านเล่าโบราณมากสมัยพระเจ้าโอกระกากราชมันก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆขดนั้นเป็นเป็นพ่อของขดนั้นขดนั้นเป็นพ่อขดนั้นขดนั้นเป็นพ่อขคน น, น, ขนั้นก็ต่อกันไปแถวพอมาถึงพระราคุณปรากฏว่าพระพราคุณไม่มีครอบครัวออกบวชตั้งแต่เป็นเด็กเจ้าชายทิตตะมีรถเปลี่ยงพระองค์เดียวเจ้าชายเทสาก็าออกบวชเช่นไยมันก็จบ หรือจากช่วงยชชาสิตธะเนี่มาก็เป็นปราหูเพราะจากช่วงปราหูมันก็จบตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่เป็นไม่ก่อยมีการสืบเนื่องการต่อเนื่องออกไปกิเลสทั้งหลายเองก็มีลักษณะอย่างนั้ที่ในการสลายกิเลสแนวนี้ที่จริงเราจะจับตรงใดก็ได้ตัวอย่างจับจากศรัทธาก่อน ขั้งสอนในแนวของกรรมฐานอนุสติข้างหน้าพุทธานุติตามานุติสังขานุสติตามข้อเกิดตั้งสติเราลึกถึงพระพุทธเจ้าประตามประสุทธ์ข้อใดก็หนึ่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่นั้นเรามักใจะใช้พุทธานุสติเพราะเป็นหัวเราตั้งสติเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแม้เริ่มต้นด้วยการไหว้กราบ สรมมัสดมนเราจะได้สัมผัสความสงบความปิติประโมทจากการที่ใจสงบอยู่กับบทพุทธคุณที่นามาสาธยายมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาคิดเทียบเคียงดูความเปลี่ยนแปลงภายในจิตก่อนที่จะเจริญพุทธคุณอย่างต่อเนื่องกับหลังจากเจริญพุทธคุณมาลายฉีทีหลหลชุ่มุมดเกิดความแตกต่างปรากฏขึ้นภายในจิต ก็จะทำให้คิดว่าเอานี้ขนาดเราเระลึกถึงพระองค์ท่านจิตใจเราส ง, งบอยู่ด้วยพระคุณของพระองค์ท่านเราอยังได้ควับยังได้รับความสุขความสงบความเยือกเย็นขนาดนี้ถ้าไปปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้แล้วมันจะขนาดไหนถึงนั้นนี่บางทีมันก็เกิดคิดจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นคราวที่ท่านโสนาโกติกันนะโสนาโคลิพิสสะซึ่งท่านมี คนที่ฝ่าเท้าก็เป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ก็มีอยู่คนเดียวสมัยนั้นมีคนนำมาอวดให้พระเจ้าพิมิสารทอดกันเนพภาษากาตะซึ่งเป็นพระระดับตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระแต่ได้ฌานที่เป็นฤทธิ์ของปุถุชนเห็นชาวบ้านไปสนใจเรื่องร้สาระท่านก็แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้ชาวบ้านก็เช่น ชาวบ้านก็เกิดคิดเทียบเคียงระหว่างโกโซนะโกลิวิสะในขณะนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่มีรองเท้ามีคนฝาเท้ามีคนแล้วก็ไปเทียบเคียงกับพระสากตะกลืนว่าภาษาตะอศัศจรรย์กว่าแย่ความสนใจในภาษาในโกลโนะโกลิวิสะก็ลดลงลดลงลดลงก็มาจับอยู่ที่ภาษาตะ จนสัทธาเปลี่ยมล้นถึงประกาศตนยอมรับเป็นลูกศิษย์ของพระสากตะหรือพระาศาสดาสักตะเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระสกตะบอกไม่ใช่อย่างนั้นอยูอ่อาตมาเองก็ถึงคนอื่นเป็นลูกศิษย์อยู่เลยวัะท่านท่างหลายต้องการจะถึงใครเป็นสารณะก็ให้ถึงพระาศาสดาของพระพิจาร คนเหลานั้นก็ต้องการพบพระพุทธเจ้าสันสกตะก็นําเข้าฟัง่งพรอท่านเหล่านั้นไปเห็นพระพุทธเจ้าบอกโอ้โหขนาดลูกลูกสิทธ์อย่างขนาดนี้นิสดาศาสดาจะขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมอีอิทธานุภาพขนาดไหนมีบารมีขนาดไหนให้เรางสังเกตว่าศรัทธาที่จริงไม่ใช่เริ่มที่พระพุทธเจ้าแต่มันไต่มาที่โสนโกลิวิสสะแต่พอเมื่อ เคยตัวเทียบคือภาษาคตะเข้าไปเทียบกับโสนะกลริภิษาปัญญาก็พิจารณาเทียบเคียงดูน้ำหนักดูความโดดเด่นดูคุณค่าของอำนาจอิทธิฤทธิพิเศษเหล่านั้นและในที่สุดศรัทธาซึ่งเคยเกาะอยู่ในโกนะโสนะกลริภิษะมันก็ถูกถอนกลับมาอยู่ที่ภาษาคตะอย่างรากได้ลึกจนถึงกับประกาศตนมอบกายถวายชีวิตต่อระษาคตะ แต่พอภาษาตะลัตชี้แจงให้ดูเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นเทียบเคียงคนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่จะไปอ้างคนอื่นมาเป็นศาสดานี่แสดงภาษาสดาัดาต้องใหญ่มากต้องสําคัญมากต้องเก่งมากทั้นเราจะเห็นว่าปัญญามันเกิดวินิจฉัยศรัทธาที่เกาะจุแล้วอา ศ, าศัยภาษากตะมันก็กระโดดข้ามมาเกาะที่พระพุทธเจ้า แล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเท่านั้นเองมันสมรับกับความคิดเดิมของท่านเพระต้องยิ่งใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาลูกศิษย์ใหญ่ขนาดนี้เก่งขนาดนี้องค์ศาสดาต้องไม่ธรรมดาพ ร, ร, ร, ร, ระพุทธเจ้าเทศมันเหมือนกับเข้าไปนั่งในใจท่านเหล่านั้นแล้วในสุดคนเหล่านั้นฟังธรรมะแล้วส่วนหนึ่งก็ประกาศตนเป็นบาศก์ัสสิกาส่วนหนึ่งก็ออกบทในพระพุทธศาสนา ซึ่งท่านชาวชนจังหลายจะเห็นว่าทั้งศรัทธาทั้งปัญญาทั้งสติทําหน้าที่ประสานกันส่งเสริมกันที่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันเมื่อการจเจริญกรรมาฐานข้ออายตนะปะพระที่ดูจิตซึ่งมีกิเลสก็ได้ก็หนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าสังโยคก็ได้กหนึ่งเกิดขึดขด้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้ แต่ไปอยู่ตรงอื่นซะก่อนคืออยู่ตรงพระพุทธคุณในชั้นแรกสาธยายก็ได้ความสุขความสงบระดับหนึ่งพอมาถึงเราเอามาภาวนาจะหาใจเข้ากับพุทธเจ้าก็โทหรือใจเข้าพุทธเ จ, าจ้ากุบโธพอเราได้สัมผัสความสงบความเยือกเย็นความโปร่งเบาความปิติประโมทปัญญาก็เกิดขึ้นเทียวเคียงอีกอ่ะ โอ้นี่ขนาดขนาดเอาพระนามของท่านมาบริกรรมไว้เท่านั้นเองมีทานุภาพขนาดนี้โดนบรรดาให้เกิดความสุขความสงบขนาดนี้ถ้าปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้จะเป็นอย่างไงเมื่อก็ดูแล้วคล้ายๆกับเราทัศนาจรเข้าไปที่ถ้ำแบ่งเน็คดูที่ประตูถ้ำมีหินย้อยมีน้ำหยดมีอากาศเยือกเจน็นนะมีลมพัดผ่านทะลุไปได้ ก็เกิดพอดูตรงนี้มีเจอความวิจิตพิจารณก็อยากจะดูลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนี่คือธรรมะปฏิบัติก็จะมองแนวนั้นแต่หมายความเปยังไงหมายความมาต้องมีการสัมผัสเ ป, เป็นพื้นฐานเอาไว้จึงใช้ปัญญาได้ถ้าไม่มีสิ่งพิจารณาเมืม่อก็ปัญญาไม่รู้จะพิจารณาอะไรปัญญาก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะันมาถึงจุดนี้เข้า คนก็ต้องการสัมผัสให้ยิ่งกันไปกว่านั้นก็นํามาพิจารณานําพระพุทธคุณออกมาแต่ละข้อมาพิจารณาแยกแยะออกไปอราหังเป็นยังไงสมาสพุโตเป็นยังไงวิาจารณาสัมพโนเป็นยังไงพอคิดไปคิดไปเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นเกิดสติเพิ่มขึ้นเกิดความเพียรเพิ่มเพิ่มขึ้นไราเห็นว่าขนาดเนี่ย เรามีภูมิปัญญาขนาดนี้มองเห็นคุณของพระพุทธเจ้าได้ขนาดนี้คิดเรื่องพุโทโธทีเดียวตั้งได้ตั้งหลายชั่วโมงคิดเรื่องวิชาเจนะสัมปันโนทีเดียวว่ากันได้หลายหลายวันเป็นต้นในสุดเนี่ยสถาภัตถะาาในรู้ตะกุลก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นตรงโน้ตมันก็มาขาจัดวิจิตรฉาตรงนี้ได้เลย เพราะอะไรเพราะปัญหาที่พระพุทธเจ้าซึ่งเกิดจากความเลื่อมใสที่เลื่อนลอยไม่มั่นคงหาพระเครื่องมาแวนคอบ้างหาผ้าปิดเจียบทิศหมอนางกวักกวนอิมสารพัดเดี๋ยวมาแวนไม้ท่านแสดงอะไรแสดงว่าเราไม่มั่นใจในพุทธานุภาพทําไมล่ะก็เพราะสงสัยสงสัยในพุทธานุภาพ มันเป็น j e n i ้ความเชื่อมัน ก, ก็กวนงานไม่ตั้งมัน่นไม่มัน่นคงพอเจริญพุท ธ, ธานติมาได้สามช่วงหมายความว่าจะเอามาสวดแล้วก็มาบริกรรมแล้วก็นำมาคิดนำมาพิจารณานำมาคิดมันเป็นระดับจินตามัจะปัญญาที่จริงไม่ใช่สัมผัสโดยตรงทางใจ แต่คนก็อยากจะสัมผัสได้ลึกยิ่งไปกว่านั้นในสุดก็เข้ามาในแนวระดับที่เราเรียกว่ า, า, า, าปัญญาคือเอาพระพุทธคุณเหล่านั้นที่ผ่านการศึกษาผ่านการสาธยายผ่านการคิดผ่านการวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็พยายามปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้า พระเจ้าทรงกรอบด้วยปัญญาเราก็พยายามเพิ่มปูนปัญญาของเราขึ้นไปพระเจ้าทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์เราก็พยายามเพิ่มความบริสุทธิ์ขึ้นไปพระเจ้าประกอบด้วยความกุณาเราก็เพิ่มความกุณาขึ้นไปตอนนี้ใจเห็นเป็นจะที่เรียกว่าปัจจัตังคือประจักษ์แก่ใจของตัวเองต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสึ้ต่อไป